เรจะพึ่งคนอื่นไม่ได้เรื่องมันนะตายเราก็ตายคนเดียวอืไม่มีใครมาช่วยตายด้วยเลยต้อคิดถึงตัวเองอย่างนี้เมื่อเวลาความตายมาถึงเขาใครก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องนั่งห้อมล้อมอยู่เต็มก็ช่วยไม่ได้เลยตรงนี้จะตัวเองเท่านะั้นช่วย ประคองจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปก่อไปคล้องอยู่ในที่ต่างๆในโลกนี้มไม่เศร้าโศกไม่เสียใจปล่อยวางความอะไรความเกี่ยวข้องทั้งหมดลงไปนี่เรียกว่าเราต้องฝึกตายไ้ตั้งแต่ก่อนตายพี่นะ อะไรก็ดีนะก็เรานั่งภาวนาแล้วก็หัดตายสินเนี่ยตายที่เราไม่เอาอะไรจิตใจหยุดคิดเลยหยุดกรุงแต่งเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้โมนมีิไม่ไม่เหีมันมีไรสมมุติว่าเราตายจากโลกอันนี้แล้วอ่ะจิตมันหยุดคิดแล้วมันก็เหมือนกับว่าตายจากโลกนี้นั่นเนี่ย ให้ทำในใจอย่างนี้มันจึงจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าต้องเจริญความตายนี่บ่อยๆ บ, บางคนเพราะว่าการนึกถึงความตายนี่อายุมันจะสั้นเข้าจะตายเร็วไม่ใช่อย่างนั้นอะไอผู้ที่มัน ไม่นึกถึงความตายเ่าตายก่อนวัยที่ควรจะตายก็มีเยอะแยะอยู่นี่พวกไม่ภาวนานะไม่ทันถึงวัยแก่อะไรก็มาตายกันก็มีอยู่เยอะแยะนี่คนพวกได้เห็นอย่างนั้ น, นแสดงว่ามันไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมมันไม่เห็นแจ้งในกรรมตมกั ร, รตายยานนี่นะ เพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งทีแรกคนเราก็ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละในชาติก่อนนู้นพอตายลงกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำในชาตินั้นมันก็นำดวงจิตวิญญาณมาเกิดในชาตินี้นี่รูปร่างกายอันนี้ก็กรรมดีกรรมชั่วแต่งให้จึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเราไปแต่งเอาได้ตามประสงค์เมื่อไหร่แล้วแต่มเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นมามีรูปมีร่างขึ้นมาแล้วก็กรรมที่ทำนั่นแหละมันตามรักษาอยู่นี่ถ้าผู้ใดเห็นแจ้งอย่างว่านี้แล้วมันมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วอ๋อถ้ากรรมตายมาถึงก็แล้วทำยังไงมันก็ตายถ้าหมดบุญหมดกรรมที่ทำมาแล้วมันก็ตาย ถ้าบุญกรรมยังไม่หมดก็ยังไม่ตายมันเห็นนึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อใครอันตรายใดๆเพราะถึงจะกลัวอะไรมันก็ไม่ฟังไม่มีอะไรจัดกานทานได้ไอ้ความกลัวนะี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจเสียเปล่าๆถ้าไม่กลัวแล้วมันไม่เป็นทุกข์ใจเอาจะเอาทางไหนวะนี่ เอาทางกลัวหรือว่าเอาทางไม่กลัวก็ต้องถามตัวเองทุกคนก็คงจะเอาทางไม่กลัวนัว่นแหละเพราะเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจมันเป็นอย่างนั้นถ้ากลัวแล้วมันเป็นทุกข์ใจมันเดือดร้อนไม่มีสติคนเราถ้ากลัวมากๆเข้าไปแล้วควบคุมจิตไม่ได้แล้วจิตก็เลื่อนลอยไปทั่วแล้วแบบนี้นะไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดไว หัดนึกถึงความตายว่าจนว่ามันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่ไ ม, มันไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวเลยต่อความตายนี่จนมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เสมอเสมออย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นอุบายคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปในตัวแบบนี้นะนั่นมันไปนอย่างนั้น ถ้าว่าไม่มันนึกถึงความตายบ่อยๆจิตนี่มันจะหวงขันห้าอยู่มันจะสำคัญว่าขันห้านี่ยังยังไม่แตกยังไม่ดับก่อนยังจะอยู่ยั่งยืนไปอะไรทานองนี้นะมันจะสำคัญอยู่อย่างนั้นถ้ามา น, นึกถึงความตายบ่อยๆเขาโอ้ความตายนี่มันมี ระหว่างความตายกับความเป็นอยู่เนี่ยมันมีลมหายใจเป็นสัญลักษณ์ถ้าลมหายใจนี่ยังปรากฏอยู่ก็แปลว่ายังไม่ตายแต่ถ้าลมหายใจนี่หมดลง ม, มื่ดแล้วก็เป็นอัตว่าตายนี่นี่แหละเราต้องพิจารณาทั้งสองทางเลยทีนี้เมื่อเวลาที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันก็เลยพบตั้งแต่ความยุ่งยาก พบตั้งแต่เรื่องขัดคล่องอะไรต่ออะไรในโลกสันนิบาตอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไอ้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นความยุ่งยากอย่างนี้เลยโดยเฉพาะผู้ครองเรือนะ้นยิ่งยุ่งหลายยิ่งลําบากไงถ้าไม่มีเงินจะใช้ จ, จ่ายเอาแล้วนั้นแหะยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบนี้นี่เป็นอย่างนั้น ไม่มีข้าวจะกินก็ยิ่งทุกข์หลายถ้าเงินขาดมือซะอย่างเดียวแล้วก็เดือดร้อนกันเลยก็อยู่ครองเรือนแล้วผู้อยู่ครองวัดก็เหมือนกันนะลองคิดดูน ะ, ะนี่แหละครองวัดนี้ถ้าเงินขาดมือลงไปแล้วก็เอาแล้ววุ่นกันแล้ววัดอะหนข่าน้ำหนข้าวไว ไหนค่ารงครัวไหนค่าคนงานทำงานในวัดนู่นมันมันจำเป็นต้องจ่ายนี่วันนี้นะนั่นแหละถ้าไม่มีเงินเราเห็จะไดเราจะอยู่กันได้เราอยู่กันไม่ได้เลยแต่ว่าทางวัดนี่เราอยู่ด้วยบุญนะนัะ่นแหละเอาบุญว่า เราไม่ได้ไปดินน้นรนหาอุบายขอนุ่นขอนี่กับใครไม่มีเลยอุบายอย่างนี้สุดแล้วแต่ใครมีศรัทธาบริจาคมายังไงเราก็รับไปอย่างนั้นมีน้อยก็บริโภคใช้ไปตามน้อยมีมากก็ใช้ไปตามมากไม่มีก็ไม่ใช้มันเลย ก, ก็ทำใจลงอย่างนี้นะ มันจึงอยู่สบายได้ในโลกอันนี้นะแต่ถ้าไปกลัวเกิดความกลัวอยู่เลยกลัวจะอดกลัวจะอยากกลัวจะไม่มีใครดูแลช่วยเหลืออย่างนี้เราก็เป็นทุกข์ใจแล้วนั่นไม่เราไม่ต้องกลัวอย่างนั้นไม่ต้องวิตกอย่างนั้นเราต้องอธิษฐานใจถึงบุญถึงกุศลความดีที่เราทํามา ถ้าบุญกุศลเราได้ทำมาแต่ก่อนแล้วประกอบกับการกระทำความดีในปัจจุบันนี้เมื่อห่างนี้จริงอย่างนี้บุญกุศลนั้นก็คงจะลถบรรดาลไม่ให้ถึงกับอดอยากทุกข์ากลำบากเกินไปเราเชื่อบุญเชื่อกุศลอย่างนี้แหละจึงทำใจสบายไปเลย มันไน้่ท่าบุญเรามีมันก็โดนบันดาลให้มีมาออย่างนี้แหละมันมีมาโดยชอบทำเราก็บริโภคมันถ้ามันมีมาโดยที่ไม่ชอบทำเราก็ไม่เอาเพราะเราถือทำเป็นใหญ่การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะถ้าเราไม่ถือทำเป็นใหญ่แล้วชีวิตนี่หันเหไปทั่วเลยหันไปทางดีก็มีหันไปทางชั่วก็มี อย่างคนทั่วๆไปที่ไม่ไม่ถือไม่ถือธรรมเป็นใหญ่นั่นเนองเจอดีก็ทำดีเข้าไปเจอชั่วก็ทำชั่วเข้าไปอย่างนี้ชีวิตนี้จึงว่าไม่เป็นปกติสุขอยู่ได้นั่นเนองเพราะว่าถึงข่าวกรรมชั่วมันให้ผลมันก็เป็นพวกเดือดร้อนนะั่ะนเอง ถึงคราวกรรมดีให้ผลก็สุขสบายไปชีวิตของคนธรรมดาสามัญมันทำทั้งดีทั้งชั่วปนเปนกันไปอย่างนี้เลยเวลามันได้รับผลมันก็รับทั้งสองอย่างแต่รับคนละทีกันบัดนี้คนละครั้งกันมันเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้ ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี่แหละจะเป็นนักบวชข้อดีเป็นคารังหัดข้อที่ก็จะจะไม่ตกต่ำคำว่ารู้แจ้งหมายคำว่ารู้ทั้งกรรมดีรู้ทั้งกรรมชั่วนะก ร, รมชั่วมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นคำรรดีมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ให้มันทั้งสองอย่างอย่างนี้ทหามันแจ่มแจ้ง ทารุวกรรมชั่วนั้นไม่เป็นสิ่งน่นาปรารถนาเพราะมันมีแต่อำนวยความทุกข์ให้ความสุขไม่มีเลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำความชั่วคนเรานะตัะวเองทำแต่ความดีใส่ตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะศาสนาอื่นนะ เขาไปเชื่อตั้งแต่สิ่งภายนอกนู่นว่าเป็นเหตุทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่พันธีอื่นศาสนาอื่นอย่างนี้เลยเขาจะทำพิธีบวงสวงบูชากาจัดปัดเผา เ, เข้าใจว่ามันมีตัวมีตนอะไรมาทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกายนี่นะ่ะจะได้ทำพิธีสระเพาะ เสกเป่าอะไรต่ออะไรกันนั่นรัฐีอื่นเนี่ยเขาเขาเห็นว่าความวิบัติต่างๆนั่นมันมันมีอยู่ภายนอกแล้วมันมาทําให้ร่างกายในมันวิบัติแปรปรวนไปทีนี้ความเห็นในพระพุทธศาสนาหรือว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ไม่เห็นอย่างนั้นเหมนี้พระองค์ รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันนี้งว่าร่างกายนี่มันจะเป็นดีหรือเป็นชั่วไปยังไงยังไงมันก็เกิดจากกรรมในอดีตที่ทํามาออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่างนี้นะกรรมในอดีตตามมาตกแต่งให้ทั้งนั้นเลยออวันนี้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำวในปัจจุบันนี่มันก็จะติดตามไปตกแต่งให้ ในภพในชาติต่อๆไปอีกนี่บุคคลผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดนะทํากรรมดีมันก็เป็นบุญกุศลไปทํากรรมชวกเป็นบาปไปอย่างนี้แหละคนละ ก, กิเลสยังไม่หมดนะมันท่านผู้ลา ก, กิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านทําอะไรลงไปแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเลยเป็นแต่กิริยาเท่านั้นเองนะออแต่ว่าท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านเลือกทาเลือกพูด แต่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองเนี่ยแต่สำหรับประโยชน์ของท่านท่านทำหมดแล้วกิเลส ท, ท่านกละหมดแล้วอย่างงี้นะกิเลสอันมันเป็นคุกคามชีวิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารท่านละหมดแล้วอย่างงี้นะกิจที่ท่านจะต้องทำเพื่อตัวเองไม่มีเลยทำเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเันอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะทรงแสดงธรรม โปรดประชาชนทั้งหลายอย่างนี้พระองค์ไม่หวังเอาบุญจากการแสดงธรรมนั้นเลยหวังให้ผู้ฟังได้รู้ได้เห็นเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วให้ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามสิ่งใดควรละให้ละสิ่งใดควรทำให้ทำมีความมุ่งหมายของพระองค์สิ่งใดควรรู้แจ้งให้รู้แจ้งนั่นเองซึ่งไม่เหมือนอย่างคนที่ยังไม่สิ้นกี้เลย คนยังไม่สิ้นทุกเออทำความดีอะไรก็ขอให้พ้นทุกพ้นภยนัยขอให้พ้นจากกิเลสบาปประทำสร้งหลายนี่คำนั้นคํอว่าเราอธิฐานเอาบุญเอากุศลที่เราทำนั้นคัดจัดกิเลสบาประทกรรมมันชั่วซึ่งก่อควรให้เป็นทุกข์อยู่ในชีวิต จ, จิตใจอันนี้ให้หมดไปสิ้นไปนี่แหละสำหรับผู้ยังไม่สิ้นกิเลสนะ การทำบุญทำกุศลทำความดีนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อประสงค์อย่างว่ามานี่ต้องให้เข้าใจกันบางคนก็พูดออกมาผมทำบุญกุศลไม่หวังเอาอะไรไม่หวังผลอะไรเลยโอ้ยอย่างนั้นมันไม่ถูก่ในเมื่อเรายังมี กิจที่จะต้องทำอยู่กิจที่จะต้องละกิจที่จะต้องทำมันมีอยู่ดังนั้นการที่เราทำความดีต่างๆมันต้องมีความหวังหวังอะไรล่ะหวังให้บุญกุศลความดีนี่ไปกำจัด ก, กิเลสป่าประธรรมออกจากหัวใจนี่ทำไมจึงว่าไม่หวังผลอะไรล่ะอย่างนั้นมันก็ทำทิ้งทำเสียสิทำแล้วไม่หวังผลอะไรบ่า แต่ถ้าเราทําความดีไปถึงที่เต็มที่แล้ววันนี้ความดีอันนั้นมันจัดกิเลสบาปธรรมหมดสิ้นไปแล้ววะ น, นี้เออนั่นแหละวะ น, นี้เราทําอะไรก็ไม่หวังผลอะไรทั้งหมดบวะนี้ถูกต้องถ้าผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะ่ะอถ้าหากว่ายังละกิเลสบาปธรรมไม่หมดแล้วไม่ไม่ได้ทําอะไรลงไปต้องหวังผลเลย อ, อืหวังผลคือให้สิ้นกิเลสให้หมดกิเลสบาปธรรม ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นนี่แหละมีคนอยู่เป็นจํานวนมากเข้าใจผิดไปคันมันเกิดความรู้เพิ่มในธรรมมันก็บรรู้เกินมันไม่พอทีมเกินส่วนไปซะอย่างนี้นะมันไม่เป็นมัชยมมาสายกลางเพราะฉะนั้นเราฟังทำกันอยู่ไวบ่อยอย่างนี้มันต้องให้รู้ความหมายนะรู้ความหมาย เพราะว่าคำสอนของพระเจ้านั้นนะพระองค์สอนให้คนเรานั้นมีสติมีปัญญามาเพ่งพินิษดูชีวิตอันนี้นะดูร่างกายสังขารอันนี้ว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรมันจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ลำพังสติปัญญาของเรานะัะเราไม่สามารถที่จะพิจารณาตัวเองได้เลย ไม่ทราบว่าวตนเกิดมายังไงเป็นยังไงอไม่รู้ไม่รู้ จ, จริงๆนแต่แต่เมื่อยังไม่ได้สนใจธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าผู้พูดอยู่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมืดแปดด้านเลยอย่างนี้แหละต่อเมื่อได้มาศึกษาสดับตับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปก็จึงได้รู้ว่าอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงได้รู้จึงได้เข้าใจ สรี่แวก็บฏอยู่วันวานก็นพ่อไม่เห็นพระเนนทําผิดวินัยเข้าไปอย่างนี้แล้วพอ เ, เวลาประชุมกันจะว่าเราก็ชักชวนเพื่อนเอ๊พวกเราเลยมันบวชเข้ามาแล้วมาทําผิดวินัยอยู่เนี่ยล่วงวินัยอยู่นี่มันจะได้บุญกุศลอะไรแล้วผมว่านะถ้าเราบวชเข้ามานี่เราต้องหวังบุญกุศลหวังชําระตนให้สะอาด ควรปฏิบัติตามพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามเอาไม่ทําทอะไรก็เราก็ไม่ทาอย่างนี้จะไม่ดีเลอเอาหพวกเรามาปฏิบัติตามพระวินยัยอย่างนี้องค์โน้นก็ว่าผมไม่ได้ทาไม่ได้องค์นี้ก็ว่าผมทำไม่ได้ถ้าหากว่าใครก็ทำไม่ได้แล้วผมก็จะไม่อยู่กับพวกท่านแะผมจะหนีเข้าป่าไปเลยนะ จะสั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อข้วินัยอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุดก็ได้หนีจากวัดบ้านจริงๆนั น, นหนีเข้าป่ามาสำรวมกายมาชาใจ ส, สนตามทมตามวินัยก็จึงได้ความสบายจิตสบายใจมาโดนลำาดับการประพฤติปฏิบัติมาไม่มีถอยหลังเลย นี่จะทำพยายามก้าวหน้ามาเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในการประพฤติมปมจันท์มันก็จึงสม่ำเสมอมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคือมันต้องเกิดความรู้สึกขึ้นในใจสะก่อนที่ยกเรื่องราวสองส่วนตัวมาเล่าสู่ฟังนี่ก็เพราะว่าต้องการอยากให้ผู้ฟังนั้นได้ระ ล, ลึกถึงตัวของตัวเอง ทช่นอย่างว่าผู้ที่ปัจจุบันอาจารย์รเป็นนักปวดอย่างนี้นะก็มานึกถึงตัวเองว่าตนเองนั่นปัจจุบันนี่นะมีกิเลสตัณหามันลบควรจิตใจไหมจิตใจตนเองเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาหรือไมอ่ต้องให้รู้สิทําไมจะไม่รู้รู้เรื่องของตัวเองรู้ทั้งนั้นเลยถ้าพิจารณานะแต่ถ้าคนไม่พิจารณามันทำไม่รู้เท่านั้นเอง อ่าเรื่องมันนะแต่พวกพูดเนี่เมื่อยังหนุ่มอยู่นั้นอ๋อพิจารณาเห็นตัวเองอยู่เรื่อยบางทีฉันเข้าฉันไปฉันไปนึกถึงกิเลสมาแล้วอา้าวแลอย่าไปฉันหลายเถอะกิเลสมันหลอ่ายกบาดออกไปเลยไม่ทันอิ่งก็ยกออกไปแล้วเนีย่ยมันเห็นโทษของตัวเองตัวเองกิเลสมันยังหนายอยู่ไปฉันอะไรมากมายอย่างนี้ เลี้ยงกิเลสให้มันอ้วนขึา อ, อย่างนี้เนี่ยมันนึกถึงตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปยออ้อท้อถ้าหากว่าเราไม่มีกิเลสตัณหาลบกวนจิต ใ, ใจเป็นทุกข์เดือดร้อนพ้าพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงข้อวัตรปฏิบัติไว้ให้พุทธบริสัททั้งหลายปฏิบัติตามาการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ยี่นี้ก็เพื่อ ให้ปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนํานั้นแล้วกิเลสมันจะน้อยจะได้เบาบาง อ, อุปจากขิตใจในี่ความหมายของข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามเป็นอย่างนี้นะดังนั้นการที่มาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะอือย่าพากันไปยอดท่ออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสตัณหาในศาสนาก็ไม่มีเลย พระธรรมวินัยของพุทธเจ้าก็ไม่มีขอให้คิดดูอย่างนี้กันแล้วกันนะเหตุที่จะมีพุทธศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะเหตุว่าท่านผู้สร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นลูกพุทธเจ้าก็เพราะเขาเพราะองค์ท่านมองเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่เยเบื้องต้นนะเมื่อเมื่อเมื่อมองเห็นตัวเองว่าเป็นทุกขกิเลสตัณหาแล้ว วันนี้ก็มองเห็นบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทั้งหลายก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหานีนเหมือนกับเรานี่แหละอย่างนี้นะวันนี้ต่างคนต่างก็ไม่รู้หนทางไม่มีอุบายแยกภายที่จะมาระ ง, งับกิเลสตัณหานี่ได้เลยเอาทาอย่างนั้นเราจะต้องสร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าซะก่อนมันถึงจะสามารถล่า ก, กิเลสตัณหานีนให้ขาดจากสันดานได้ แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นบอกแนะนำอุบายต่างๆให้ผู้ให้คนทั้งหลายได้ฟังแล้วได้เอาไปปฏิปฏิ บ, ตบัติตามระงับกิเลสตัณหาไปตามได้พระองค์ทรงดำริอย่างนี้แหละจึงได้เริ่มสร้างบุญบา ร, รมีมานี่นะขอให้คิดดูให้ดีอย่างว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะ เวลาเราปฏิบัติทำไปมันกิเลสมันลบควรจิตใจขึ้นมานี่อย่าไปถือว่ามันดุร้ายกิเลสอย่าไปถือว่ามันทำความเป็นทุกข์ให้แก่เราแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะละมันได้เราก็ทอ้อใจซะเลยเลยละข้อวัดปฏิบัติไปผู้ดใดคิดอย่างนี้นับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องทางนี้ถูกต้องคิดยังไงอ่ะ ก็คิดว่าก็ข้อกิเลสมันมีในหัวใจนั่นแหละเพระองค์เจ้ายังสอนให้ปฏิบัติทำนี่ถ้าธรรมะเท่านี้แหละระงับกิเลสบาปธรรมในหัวใจของคนได้ทำกับวินัยนี่นะนั่นแหละหรือว่าศีลกับธรรมนี่นะระงับความโลภความโกรธความหลงมารณาทิฏฐิสัพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้น้อยบอบางหรือหมดสิ้นไปจากกิเใจ ได้มีเท่านี้เองนะพิชชาความรู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะละี่เลตัณหาดังกล่ามานี้ได้เลยรังจะชี้ให้เห็นเช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นการระงับความโลภความตนีออกจากหัวใจลองคิดดูผู้ที่ให้ทานได้ก็แสดงว่าผู้สละเสียซึ่งความโลภความตนีหวงเห็น เงินทองเข้าของมันจึงมันจึงทำทานได้ถ้ายังหวงเหนเงินทองเขของอยู่ทำทานไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความโลภมันก็ไม่มาวางจาก่ิตใจนั่นแหละให้คิดดูดันันเนี่ยเราจะไปเอาเวทมนตร์คาถาหรือไปก้อนวา น, า น, านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลายซากลรโลกให้มาขจัดความโลภนี่ออกจากหัวใจอย่างนี้นะมันจะไปได้ยังไงอะขจัดไม่ได้เลยถ้าขจัดได้อย่างนี้ พวกนับถือศาสนาอื่นเขาใช้เวทมนตร์คาถากันมันก็มันก็ทำละกิเลสกองทุกได้หมดสิแต่นี่ปรากฏว่าไม่ไม่ระงับกิเลสกองทุกไม่ได้เลยอ่ามีแยบเยียนกันอยู่อย่างนั้นฆ่ากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราเราฟังดูเราสังเกตดูถ้าผู้ใดละกิเลสตัณหาได้ตามที่ อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในแล้วท่านเหล่านั้นไม่เบียดเบียนใครนะอะมีแต่อำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองทำอะไรไม่ให้ให้คนอื่นเดือดร้อนนะเนี่ยไอคนผู้ละ ก, กิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจแล้ว ม, ม, ม, ม, ลนะมันเป็นอย่างนี้นี่มันมันมันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไมเราเราถึงจะมองไม่เห็น คุณค่าของพระพุทธศาสนาะล่ะทำไมเราจริงจะมองไม่เห็นคุณแห่งข้อวัดปฏิบัติสินอย่างนี้นะการรักษาสินอย่างคลึงคัดเข้าไปจริงจเนีอย่างนี้อ่จนเป็นปรมาถสินลงไปอย่างนี้มันก็ทำลายความโกรธความวายาบาทอันมีในหัวใจมาแต่ก่อนนั้นเบาบางออกไปจากจิจใจแต่ถ้าคืนยังโกรธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทาลายสินเนี่ย เมื่อผู้นั้นเข้ารับต่อสินอยู่เห็นคุณของสินว่าจะพาตนได้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้มันก็ไม่มันก็ไม่โกรธทีนี้นะอ่าใครจะมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อดเอาทนเอากําหนดละกันไปเรื่อยไปความโกรธมันก็เบาไปเรื่อยเพราะว่าเรารู้ต้นเหตุมันอยู่นี่ถ้าขืนโกรธ ม, มากๆเข้าไว้ก็ทําลายสินให้หมดเพราะะฉนั้นเองคนไม่มีศินแล้วก็มีแต่บาปเท่เานั้นแหละเป็นเจ้าเรือนอยู่ในหัวใจอืม นี่คุณของศีนลนะจึงชื่อว่าประเสริฐล้ำเลิศพระจัดความโกรธความมายาบาดในหัวใจออกไปเอา้าศีลแล้วก็ธรรมวะนี่ธรรมก็คือเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็สนัสนบสนุนศีลให้บริสุทธิ์อมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นนะศีลไอบาปกรามความชั่วนีความโกรดนี่นะ จะไปเอาคาถาอาคมอะไรมาเสกมาเป่ามาขจัดมันให้มันระ ง, งับมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลกับความโกรเหมือนกันเะอก็มีจะเจริญเมตตาขึ้นแล้วก็สมทานสิกขาหมดที่พุเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นให้มั่นคงในใจไม่ยอมล่วงเกินนี้แหละถึงจะระ ง, งับมันได้ไอ้ความโกรธความมยจบาทนั่นนะให้เข้าใจวันนี้ ธรรมดาจิตใจของคนเราเนะ่ะมันหลงมันไม่รู้แจ้งในวิถีชีวิตนี่ตามความเป็นจริงทุกคนย่อมรู้ตัวนั่นแหละอรู้เลยนะทุกคนย่อมรู้่เมื่อเพ่งเข้าไปดูตัวเองเอ๊ะไอเรานี่นะี่ะมันมาอย่างไงเนาจึงมาเกิดในโลกนี่มาแต่ที่ไหนอย่างนี้นะแต่เราก็นึกได้แต่เพียงแค่ว่าเราก็ ตายไปจากชาติก่อนนั้วนะเขามาเกิดในชาตินี้แต่ชาติก่อนนั้นเขาเคยเกิดเป็นอะไรบน้นี่นั่นไม่รู้เลยนะเกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งหรือว่าเกิดเป็นเปรตเป็นผี้ายจากเปรตจากผีมาเกิดเป็นคนบ่หรือว่าจุตติจากสวรรค์เป็นเทวดาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้ไม่ได้เลยนี่แหละเมื่อทบทวนคืนหลัไมไปก็มืดตื่อ มันเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อเพ่งดูไปอันเบื้องหน้าวันนี้เอ๊เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วจะไปที่ไหนเนอไปเกิดที่ไหนจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนาะไม่รู้แจ้งเลยมืดแปดด้านเหมือนกันอันนี้ก็ดีนี่นั่นแหละแล้วปัจจุบันที่มีลมหายใจเข้าข อ, ออกอยู่เดี๋ยวนี่มันก็ยังแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกจะเมื่อมันคิด พุ่งสร้างเลื่อนลอยบางซิ่็ไม่มีอุบายจะแก้ไขเลยก็มีเฮ่ทำไมจิตนี่พุ่งสร้างเลื่อนลอยแล้วเกินนี่ทยํยางนี้ก็ไม่อยู่แต่ลองคิดดูสินี่แหละการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามคำสองวิจ้าอย่างจริงจังนะชีวิตนี้ย ม, มืดบนอนุกาคานไม่รู้จักหนทางดับทุกทางใจได้เลยนี่ทีนี้เมื่อบุคคลมาได้ปฏิบัติตาม คำสอนที่พระองค์แสดงระเบียบข้อปฏิบัติไว้ว่าต้องภาวนาทำใจให้สงบจัดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันถึงจะหายหลงหายเมามันยังจะรู้แจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตตามความเป็นจริงแล้วสิ่งใดควละมกละได้ป่ะนี้มันรู้แจ้งแล้วนะสิ่งใดควรทำให้แจ้งรู้ให้แจ้งเมื่อก็รู้แจ้งขึ้นมาได้นี่การภาวนา เขทําใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบลงอย่างนี้นะการที่จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือมันไม่มีปัญญานะคิดอะไรก็ไม่ออกอมันไปนอย่างนั้นเรื่องมานะเหมือนอย่างคนตาบอดเดินตามทางแล้ไม่หมองเห็นวัตถุกอะไรเลยเดินไปอย่างนั้นเลยอาศัยจะไม่แท้อันหนึ่งอตอกนั้นสักอันนี้ไปแกว้งไปแกล้งมา ไปถูกอันนั้นเข้าไปโอ้ไม่ได้นี่ว่าตออี่รกันลกไปตามนั้นแหละแต่ไม่เห็นรูปร่างของตองเลยอันนี้ชั้นใดจิตใจคนเราเมื่อถูกอวิชชาตันหามครอบงำล้วก็มืดมนเหมือนกับคนตาบอดภายนอกนี่แหละก็เป็นอย่างนั้นเลอเพราะฉะนั้นเลยผู้ใดมาเห็นว่าต น, น, นยังมืดบอดอยู่เนี่ย อันทางที่จะทำให้หายมือถ้ายบอดก็ภาวนาทำใจสงบลงไปอย่างว่านี่ีินั่นแหละอัน้าผูใ้ใดชอบมีจิตพุ่งสร้างเลื่อนลอยนี่กรรมาฐานอื่นนะไม่เหมาะหรอกมีแต่อนาภารสตินี่นะหมะนะตั้งสติแ่งลมหายใจเข้าออกอธิษฐานใจเลยว่าเราจะปฏิบัติบูชาคุณเราพุทธเจ้าคุณมาทาคุณระส่์ เราจะไม่คิดส่งสายไปภายนอกอื่นเราจะกําหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากในข้อเราก็จะสู้ทนอดกัน้นจะไม่ถอยเราจะไม่สงสัยในข้อปฏิบัติอย่างอื่นว่าจะเป็นไปเพื่อความสงบได้เราจะมั่นใจอยู่แต่ในลมหายใจเข้าออกนี่แหละว่างั้นนะนั่นมีอุบายเงยบภายในใจอย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ตั้งสติ กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเอาสติเข้าไปควบคุมจิตจิตก็คือความรู้สึกอันนั้นนะให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมันเผลอมันก็คิดไปแล้วพอมันรู้ตัวมันก็เอ้าตั้งสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นไหมไม่ต้องไปดึงเอาความคิด ความจําความหมายอะไรที่มันคิดไปแล้วนั้นเข้ามาอย่างอย่างคนบางคนว่าอะไไม่ไม่ใช่ไปดึงเอามาได้มันมไ ม, ม่ไม่มีรูปร่างอะไรไปดึงเอาอะไรล่ะอันมีแต่ตั้งสติกําหนดความรู้สึกอันนั้นไหมอ่อแล้วก็กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเผลอเผอไปแล้วก็ตั้งสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมภาคเพียนพยายามอยู่เนี่ย ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไปสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้ววันนี้มันก็ความพลั้งเผือที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปมันก็น้อยลงน้อยลงนะในที่สุดเมื่อเราภาพเพียนเพ่งมินิไม่ท่อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ยับยั้งความคิดต่างๆได้จิตก็หยุดคิดลงไปเพราะจิตหยุดคิดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เลยวันนี้ มันรวมลงเองเราเราไม่ต้องมัได้ข่มได้อะไรมันหนกมันลงเองแบบนี้นะเพราะจิตมันวางอารมณ์ภายนอกอะไรต่างๆได้หมดแล้วมันรวมลงเองเลยจิตอ่ะอันนี้เมื่อมันรวมลงก็หมายความว่าความรู้สึกอันนั้นแหละมันไม่คิดไม่นึกไปทางอื่นใดมันหยุดนิ่งมีสติกํากับอยู่พร้อมเลยเอความรู้อันใดกับสติก็อันนั้นสติอันใดกับความรู้อันนั้น นี่ก็เพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นนะประคองความรู้นั่นอยู่น้ะเมื่อหาว่ามันจิตนี่มันวางอารมณ์ได้จริงๆนะนะมันหยุดคิดหยุดเลือกเราก็มีสติประคองไว้อย่างนี้นะนี่นายเข้าใจเราไม่ต้องไปสงสัยลังเลยอะไรหรอกที่มันจิตสงบลงไปได้นะั้นเพราะทำความเพียไม่พอนี่ความหมายนะ ความเพียรยังไม่พอสติก็ยังอ่อนแออยู่แล้วจะให้สมาธิมันมั่นคงได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเมื่อเมือม่อภาคเพียนเพ่งินิดอยู่ไม่ท้อไม่ถอยความเพียรแก่กล้าขึ้นไปเลยสติมันก็แก่กล้าเข้าไปเท่านั้นเมื่อสติแก่กล้าเข้าไปเท่าใดก็ควบคุมจิตให้หยุดนิ่งอยู่ได้เท่านั้นละบ่เนี่อเพ่งไม่ถอย จิตมันไม่มีโอกาสจะคิดไปทานอุ้นก็คลายอารมณ์สางอกวปอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตคลายแล้วมันก็ดับไปนี่มันไปนอย่างนั้นเรื่องมันอะ่ะพออารมณ์ต่างๆดับไปจิตรู้สึกเบาอรู้สึกปลอดโกงรู้สึกเบารู้สึกโปรงสว่างภายในนี่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายมันออกจากจิตนะจิตก็จะพองใสขึ้นมาปลอดโกง ให้สังเกตดูการภาวนานะ่ะมันเป็นอย่างนั้นไหมนี่ถ้าหากว่าจิตยังรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้มันก็ไม่ยังไม่ปลดปลงมันยังไม่เบากายเบาใจเคยหนักลวงอยู่ยงไหนก็หนักลวงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะให้เข้าใจถ้ามันเป็นอยู่อย่างว่านั่นก็แสดงว่าจิตมันยังรวมลงไม่ได้ก็ต้องแพ่งกันต่อไป เฮงความรู amended, er is, as as you know, ้อันนั้นแหละให้สติมันแกกล้ามันควบคุมความรู้สึกนั้นให้นิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อมันนิ่งเป็นนานๆเข้ามก็ก็อย่างว่านั่นแหละอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือเอามาซ่อนเล่นอยู่ภายในจิตใจนั่นอำนาจแห่งความสงบอำนาจแห่งสมาธินี่ย มันทับอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์นั้นอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้มันยึ่งได้ถอนออกไปบางทีมันก็เกิดเป็นดิมิตเป็นเห็นรูปต่างๆหรือได้ยินเสียงต่างๆมาอย่างนี้นะหรือเห็นสีสันวัรณะต่างๆปรากฏขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมา ความคิดอันนั้นเรียกว่าความคิดขึ้นแบบโดยไม่ได้เจตนาเลยมันรู้ขึ้นมาเฉยๆออกเนีนั้นรู้อัดรู้ทำขึ้นมาเองอย่างนี้ก็มีอันอย่างนี้หมายความว่าจิตเป็นกุศลในขณะนั้นไอ้ความรู้ขึ้นมาอย่างนั้นมันจึงเป็นความรู้ทางเป็นศิลเป็นธรรมขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นอืมเพราะฉะนั้นน่ให้ปากันเข้าใจเรื่องการภาวนาเนะ่ะ อย่าพปโยกท้อเมื่อเราได้มาสู่สถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติแก่การทำความเพียรแล้วเช่นนี้เราก็ทำความเพียรไม่เห็นแก่เราแกนอนเอาจิตวจัยที่ไม่ไม่ได้ส ง, งบลงมาแต่ก่อนก็ให้มันส ง, งบลงไปอเอามันส ง, งบอยู่ไม่นาน ก, ก็ก็ไม่เป็นไรพอมันถอนออมาเราก็เจริญปัญญาต่อ เอาเราคิดไปทางศีลทางธรรมคิดไปทางความจริงของสังขานสังขันอะไรมันไม่เที่ยงแล้วก็คิดไปตามแนวนั้นอย่างนี้นะเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญปัญญาไม่พิจรารณาธรรมะเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็ไปคว้าอารมณ์อื่นนั่นแหละทีเดียวมันก็ไปในเรื่องที่มันเคยไปแต่ก่อนมันมามันไปอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจิตมันถอนจาก สมาธิออกมาแล้วอย่างนี้เราก็กำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์อันนี้เรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่จะให้จะให้จิตของเรามนันเบื่อหน่ายอยันนี้นะก็อย่างว่าจับเอาเรื่องตายอย่างนี้มาเป็นเครื่องที่สูจนพิจรารณาเมื่อจิตวิ ญ, ญญาณถอนออกแก่ร่างนี้แล้วจะเป็นยังไงร่างกายอันนีนะ้เป็นยังไง ธาตุน้ําธาตุธาตุไฟกับธาตุลมหายไปหมดเหลือแต่ธาตุ ด, ดินกับธาตุน้ํำตอนนั้นเองเลยที่เรียกกันว่าซากศพไอร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าธาตุไฟกับธาตุลมมันถอนออกไปแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทํำให้ความอบอุ่นให้มันก็เลยต้องมีแต่เน่าเปื่อยไปเท่านั้นเองเนตะ้องกินเหม็นไปถ้าไม่เผาไม่ฝังนะ นเราจับเรื่องนี้ได้ก็เอามาพิจารณาเพ่งให้อุก ahan ิมิตมันเกิดขึ้นอลองดูสิมันจะเกิดไหมเห็นภาพร่างกายในเนา่าเฟยน้ำเหลืองไหลมีหนอนยั่วเยี่ยอะไรอย่างนี้นะมันจะปรากฏในในมนโนธาตุด้วนนะเอาเพ่งอย่างนี้จนถึงกับว่ามันเปื่อยละลายออกไป เหลือแต่กระดูกวันนี้เอากระดูกทําไปเผาไฟบกุกเผาไฟมันกรอบแล้ววันนี้เอามาบดเอามาตําใส่ครกตําให้มันละเอียดเป็นผงเลยพอเป็นผงแล้ววันนี้ก็สัดไปตามลมก็ไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้ววันนี้มดไปเลยนั่นแหละเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทวนกระแสมาถามตัวเอง ไหนที่ว่าตัวตนของเรามีอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างงี้นะตรงไหนเราเป็นตัวเป็นตนนะอ่มันก็จะต้องสอบตัวเองทันทีเลยไหมไม่มีตัวตนนะไม่มีตรงไหนเป็นตัวตนสักหน่อยเดียวอ่ะแล้วมีแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกสลายเแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็สูญหายไปอย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่เป็นที่น่ายินดีน่าพอใจหรือว่าหน่าเกลียดหน้าช่างหมดนี้ก็ไม่มีอ่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงชังรูปกายอันนี้ต่อไปเมื่อเห็นแจ้งแจ้งตามไปจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาสอนจิตอย่างนี้เข้าไปอจิตมันก็เห็นชอบตามปัญญาเราก็ค่อยคลายความยินดียินร้ายในรูปกายนี้ออกไปเรื่อยๆไปนี่อุบายการเจริญสมถะอภิษฐนานนะมันต้องอย่างนี้ผููไม่เข้าใจอย่างนี้ มุ้งเอาแต่ใจสงบลงอย่างเดียวให้แต่ใจสงบเป็นหนึ่งถ้าใจสงบเป็นหนึ่งอยู่ได้นานไปนั้นจึงเรียกว่าตนภาวนาเป็นแล้วก็ได้ความสบายใจดีไม่อยากคิดอะไรให้ลำบากอ่าไอ้อย่างนี้มันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นะไม่ได้ปัญญานี่ได้แค่สมาธิมันก็เพียงแค่ได้สะกดกิเลสให้ระ ง, งับไปโชคลาวเท่านั้นเอง พอจิตถอนจากสมาธิแล้วกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะ่ะตอเมื่อเราได้เจริญปักอวายปัญญาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละเมื่อเมื่อจิตมันเห็นแข้งชัดในรูปในกายนี้มันก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายขึ้นมานี่โอ้ร่างกายนี่เป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่เป็นของน่ารักน่าชังอะไรเลยเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดไม่น่าถือว่าเป็นของเรา เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้มันจึงคลายออกไปเนี่ยคลายความรักความชังออกไปมันคลายไม่หมดทีเดียวมันก็คลายไปทีละน้อยๆเราพิจารณาบ่อยๆเขาบ่ไปมันก็คลายออกไปเรื่อยๆไปอันนี้เ่ะเรียกว่าอุบายวิปัสสนาอเมื่อเมื่อมันเห็นแจ้งชาตุอย่างนี้นแล้วก็วางไว้ตามสภาพเราวางไว้ตามสภาพของมันเรียกว่าไม่ยึดถือแันนี้นะเห็นแจ้งาธาตุหายสงสัยแล้ว ว่าของที่นี่ไม่ใช่ของเราก็วางไว้อย่างนี้นะเหมือนอย่างเราเอาของคนอื่นมาอย่างนี้นะมาี่สูดน์ดไอของนี่ไม่ใช่ของเรานี่พอรู้ว่าเจ้าเราก็เอาวางไนวะ้วางไว้ที่เดิมมันให้เจ้าของเดิมเข้ามาเอาไปถ้าเออนี่ถ้าเป็นของเรานูงนี้กักกรรมเอาไว้ก็อย่างนั้นเนี่ยแต่นี้ฉันใดเราใช้ปัญญาเพ่งแต่เมื่อยังไม่ได้เจริญปัญญาเราก็รู้ว่า ร่า ก, การนี้เป็นของเราอยู่นั่นเนี่ยแต่พอมาเพ่งดูอยู่ด้วยปัญญาแล้วเห็นถ้าตามปัญญาแล้วจึงได้ลงความเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราจิตมันก็วางสิแบบ น, นี้นะเนี่มันก็วางไม่ก็คลายความยินดียินร้ายลงไปอเมื่อมันคลายลงไปจิตมันก็รวมลงที่นี่ก็มันรวมลงกับเหลือแต่ความรู้กับสติแบบนี้เออ แล้วก็ประคองความรู้ความเห็นนั้นไว้ให้มันแจ้งกระจ่างอยู่ในใจอย่างนั้นเท่าที่มันจะอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้พอสมควรแล้ววันนี้อ้าวถ้าว่ายังมีเวลาอยู่ก็พิจารณาเรื่องอื่นต่อไปยังไม่แจ้งเรื่องใดก็กํากหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดล้วก็ปรงก็วางลงเหมือนเดิม จนกว่าจะสมควรแก่เวลาก่อนเลิกลากันไปพักก่อนทำเรื่องนี่แหละการจเจริญสมสาธิภาสนาให้พึ่งเข้าใจนำเนินตามนี้แล้วไม่ผิดทางสายกลางแน่นอนเลยทีเดียวดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้